ไปกับสิ่งเหล่านั้นคือโลกธรรมไฟบวกก็เป็นชีวิตที่สามารถจะเป็นทุกข์ได้ทุกเวลาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือโลกธรรมไฟบวกนี่มันไม่เที่ยงมันก็มีวันแปลปรนยิ่งคนที่ปล่อยใจเพลิดเพลินไปกับโลกธรรมไฟบวกมากเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาแปลเปลี่ยนมันก็ทุกข์มาเท่านั้นเหมือนกับยิ่งลอยสูงพอตกลงมามันก็เจ็บ ยิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็เจ็บมากเท่านั้นผู้ที่มีปัญญาก็แลเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเมื่อโลกธรรมไฟบวกเกิดขึ้นปับชีวิตก็ไม่เพลิดเพลินพระรู้ว่าไม่นานมันก็แปรเปลี่ยนไปก็เกี่ยวข้องกับมันได้อย่างถูกไม่ใช่ว่าปฏิเสธมันนะไม่ใช่วันหนีมันอย่างพวกที่เป็นนักบวชพวกฤาษี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 10บโมงเช้าฉันเสร็จก็ทำเลยจนถึงเย็นทำทั้งวันแต่ก็ร้อนสามวันเต็มๆเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเพื่อหลวงพ่อาชาท่านไปธุระที่อื่นไปจำว่าทิ้งอยู่สามวันช่วงที่หลวงพ่อาชาไม่อยู่ลองเจ้าว่าก็บอกว่าขนเมากองไว้ตรงนี้มันไม่ถูกให้ย้ายไปอีกที่หนึง่งซึ่งอยู่ไกลด้วยก็ไปว่าพระต้องขนกันอีกย้ายกันอีกสามวันเต็มๆ